พระบัญญัติ306ภิกษุไม่เป็นไข้พึงยินดีการประวรณาด้วยปัจจัยสี่เพียงสี่เดือนเว้นไว้แต่ประวรณาอีกเว้นไว้แต่ประวรนาเป็นนิดถ้ายินดีเกินกว่ากำหนดนั้นต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพระเจ้ามหานามสักยะจก